มาปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปความสงสัยในธรรมมีอะไรบ้างก็คือตายแล้วไปเกิดหรือไม่หรือตายแล้วสูญสวรรค์นรก เป็นของจริงหรือไม่นิพพานเป็นของจริงหรือไม่กดแห่งกรรมมีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่นี่คือความลังเลสงสัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าอยากจะ การจัดความรังเลสงสัยเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปก็ต้องศึกษาคือฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือของพระอริยสงสารกทั้งหลายก็ดีถ้าได้อ่านหนังสือได้ยินได้ฟังธรรม ของท่านเหล่านี้เราก็จะได้รู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องจริงเพราะพระพุทธเจ้ากรดีพระ อ, อริยสงสาวกรดีท่านได้ศึกษาท่านได้ปฏิบัติจนสามารถพิสูจน์ความจริงเหล่านี้ได้ว่ากฎแห่งกรรมมีจริง นรกสวรรค์มีจริงทำบุญแล้วจะได้ไปสวรรค์ทำบาปจะได้ไปนรกถ้าได้ปฏิบัติทำรักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็จะได้ไปสู่พระนิพพานไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคําสอนของพระอริยสงสาวกเราก็จะสงสัยไปเรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะคาสอนโดยได้ยินได้ฟังธรรมะคําสอนของท่านเหล่านี้เราก็จะได้ยิน ได้นับการยืนยันจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยรสงสาวกทั้งหลายว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนรกสวรรค์มีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วความลังเลสงสัยในเรื่องเหล่านี้ก็จะหมดไป แต่ก็อาจจะยังไม่หมดไปแบบร้อยเปอร์เซนเพราะว่ามันยังเป็นเพียงแต่การได้ยินได้ฟังเพียงแต่ว่าเรามีความศรัท ธ, ธามีความเนื่อมใสในผู้สั่งผู้สอนคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระเล้ยสองสาวกเมื่อท่านพูดว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงเราก็จะเชื่อตามได้ แต่ถ้าอยากจะให้เชื่อได้อย่างสนิทใจเราก็ยังต้องกระทำการปฏิบัติเราต้องการพิสูจน์ว่าธรรมเหล่านี้ที่พรพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นเป็นความจริงหรือไม่มวิธีที่เราจะพิสูจน์คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระริยรสงสาวกว่าเป็นจริงหรือไม่ ก็คือการปฏิบัตินั่นเองการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆ อ, องค์ได้ทรงปฏิบัติมาที่ภาเรียสงสาวกทุกๆ อ, องค์ได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติปฏิบัติมาจนสามารถมีดวงตาเห็นธรรมเห็นสิ่งต่างๆที่ผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่สามารถเห็นได้เพราะเรื่องราวของการเวียนว่ายตายเกิด เรื่องราวของนรกเรื่องราวของสวรรค์เรื่องของกฎแห่งกรรมนี้มันเป็นเรื่องของนามธรรมาไม่ใช่รูปธรรมรูปธรรมคือสิ่งที่เราสามารถที่จะเห็นได้ด้วยตาของร่างกายเช่นเราสามารถเห็นต้นไม้เห็นบ้านเห็นรถเห็นถนนเห็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆเห็นภูเขาเห็น ทะเลเห็นท้องฟ้าเหล่านี้เป็นรู ป, ปรธรรมที่สามารถเห็นได้ด้วยตาของร่างกายแต่เรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของนาลกเรื่องของสวรรค์อันนี้ตาของร่างกายนี้ไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าเป็นนามธรรมา นามธรรมนี้จะเห็นได้ด้วยต้องเห็นด้วยใจใจที่เป็นนามธรรมชีวิตของเรานี้มีองค์ประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือเรามีร่างกายและเราก็มีใจเรามีใจเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทําอะไรต่างๆแต่ใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกายเราจึงมองไม่เห็นใจ และเราจึงไม่รู้ว่าใจนี้เป็นอย่างไร <c oughs> แล้วเราก็อาจจะลงคิดว่าใจนี้เป็นส่วนประกอบของร่างกายอยู่ในร่างกาย <c oughs> เวลาร่างกายตายไปใจก็จะตายไปกับร่างกายด้วยอ๋อทางวิทยาศาสตร์เขาก็คิดว่าความคิดอยู่ในสมองใจเป็นผู้คิดก็ต้องอยู่ในสมอง เวลาร่างกายตายไปสมองตายไปใจก็จะต้องตายไปกับร่างกายด้วยนี่เป็นเพียงแต่ความคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่ใช้รูปธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ซึ่งรูปธรรมนี้ไม่สามารถพิสูจน์นามธรรมาได้ไม่สามารถมองเห็นนามธรรมาได้<ม>ก็เลยเป็นการเข้าใจผิดเข้าใจว่าตายแล้วต้องสูญ ตายแล้วไปเกิดใหม่ไม่ได้เ mm hmm. พราะพราะผู้ที่ตายนั้นตายแล้วจะไปทําอะไรได้ต่อไปแต่ความจริงใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย mm hmm. ใจผู้ที่เป็นเจ้านายผู้ที่คอยสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆ mm hmm. เช่นให้มาวัดนี้ผู้ที่สั่งก็คือใจไม่ใช่สมอง mm hmm. สมองเป็นเพียงแต่ผู้รับคำสั่งจากใจอีกทีหนึง่งแล้วก็สั่งให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมาให้ร่างกายเดินให้ร่างกายเดินทางให้ร่างกายเตรียมตัว <c oughs> เตรียมข้าวเตรียมของเตรียมอะไรต่างๆถ้าไม่มีใจเป็นผู้คอยกำกับ <c oughs> เป็นผู้คอยสั่งการร่างกายนี้จะอยู่เฉยๆจะไม่ทำอะไรได้เหมือนกัน คนตาย mm hmm. เวลาคนตายนี่ร mm hmm. ่างกายก็จะอยู่นิ่งๆเฉยๆ mm hmm. ไม่มีการขยับขยื่นได้ด้วยตนเอง mm hmm. เพราะที่ผู้ที่สั่งการให้ขยับขยื่นคือใจนี้ mm hmm. ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่กับร่างกายแล้วไม่ได้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรแล้วเพราะว่าขายการขายการต่อสื่อสาร mm hmm. ใจนี้กับร่างกายนี้อยู่คนละสถานที่กันใจนี้อยู่ในโลกทิพย์ส่วนร่างกายนี้อยู่ในโลกกระธาตุโลกของดินน้ำลมไฟร่างกายนี้มาจากดินน้ำลมไฟแต่ใจนี้เป็นอยู่ในโลกทิพย์เป็นธาตรู้ไม่ใช่ธาตุดินน้ำลมไฟแต่เป็นธาตรู้ธาตรู้นี้อยู่อีกโลกหนึ่งเหมือนกับอยู่ที่โลกพระจันทร์ ส่วนร่างกายนี้อยู่ในโลกนี้เวลาใจต้องการให้ร่างกายทำอะไรใจก็จะส่งสัญญาณคือกระแสของความคิดมาที่ร่างกายผ่านทางสมองสั่งให้ร่างกายขยับเขยื่อนทำอะไรต่างๆแต่พอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจก็จะไม่สามารถติดต่อกับร่างกายได้ต่อไป ร่างกายก็ไม่สามารถที่ขยับกระเยื้อนทําอะไรได้แต่ผู้ที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆนี้ยังอยู่ต่อไปได้ยังไม่ได้ตายไปกับร่างกายและผู้ที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้แหละเป็นผู้ที่จะไปได้ร่างกายอันใหม่ต่อไปในภพหน้าชาติหน้าที่เรียกว่าไปเกิดใหม่ใจตอนที่ไม่ได้อยู่กับร่างกาย ไม่ได้ติดต่อกับร่างกายใจก็เปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณดวงวิญญาณที่เรามาักจะเรียกว่าเป็นผี<ม>ผีมาหลอกเราความจริงดวงวิญญาณไม่เคยคิดจะไปหลอกใคร<ม>ผีจริงๆไม่หลอกผีที่มาหลอกนี่เป็นผีปลอมเป็นผีที่เกิดจากความคิดของเราเอง<ม><ม>พอเราไปอยู่ที่ไหนเงียบๆคนเดียว พอได้ยินเสียงอะไรขึ้นมาแล้วก็ตกใจตัวขึ้นมาแล้วก็คิดว่าเป็นผีมาหาเราแนละ้วแต่ความจริงมันก็เป็นอะไรก็ได้อาจจะเป็นนกอาจจะเป็นสัตว์ชนิดไหนวิ่งไปวิ่งมาแต่เราไม่รู้เรามองไม่เห็นเราก็เลยไปคิดว่าเป็นผีขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วจิตใจที่ ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี้ไม่มีเวลาที่จะมาหลอกคนนั้นคนนี้ให้เสียเวลาเพราะจิตใจที่ไม่มีร่างกายนี้ก็จะต้องถูกบุญหรือบาปเป็นผู้นำพาไปอยู่ตามภพต่างๆถ้าเป็นอำนาจของบุญถ้าบุญมีมากกว่าบาปในในดวงวิญญาณนั้นบุญก็จะดึงให้ ดวงวิญญาณนั้นไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมีมากกว่าบุญในดวงวิญญาณนั้นบาปก็จะให้ไปอยู่ในอบายอยู่เป็นเปรตบ้างอยู่เป็นอ ส, สูรกายบ้างอยู่เป็นนรกบ้างหรือ <ๆ S 2> ถ้าได้มาเกิด <ๆ S 2> ก็จะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่าง ๆ, ๆ, ๆสาเหตุที่ดวงวิญญาณไปอยู่พบต่างๆนั้น ก็เกิดจากการทำบุญหรือทำบาปในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี่อ ต, ตอนนี้พวกเรามีชีวิตอยู่ในแต่ละวันนี้บางทีเราก็ทำบุญกันบางทีเราก็ทำบาปกันบุญและบาปที่เราทำนี้ก็จะสะสมอยู่ในใจของเราไปเรื่อยๆเหมือนกับเอาเงินไปฝากในธนาคารถ้าเราเอาเงินไปฝากธนาคารนี่ก็ถือว่าเรา ไปทำบุญเอาบุญไปใส่ใจเราถ้าเราไปกู้นี่กู้เงินจากธนาคารเราก็เหมือนกับการที่เราไปทำบาปเอาบาปไปใส่ใจเราเพราะนี่นี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องชดใช้ส่วนบุญนี้เป็นสิ่งที่เราจะเบิกเอาไปใช้ทำอะไรตามความต้องการของเราได้ใจของเรานี่ก็เป็นเหมือนธนาคารมีทั้งบุญมีทั้งบาป มีทั้งนี่มีทั้งมีทั้งทรัพย์สินมีทั้งนี้ถ้ามีทรัพย์สินมากกว่านี้่ก็จะอยู่อย่างสุขสบาย <canyon. S 2> ถ้ามีนี่มากกว่าทรัพย์สิน <Cor r. S 2> ก็ย่งก็ย่งก็จะอยู่อย่างทุกข์อย่างไม่สบายอกไม่สบายใจเพราะว่าจะต้องไปใช้นี่นั่นเองนี่แหละคือผู้ที่จะไปเกิดใหม่ผู้ที่จะไปสวรรค์ไปนรกเนี่ ไปเกิดในภพภูมิต่างๆที่ไม่ใช่เป็นภพของมนุษย์เนี่ยภพมนุษย์นี่เป็นเพียงหนึ่งในสามสิบเอ็ดภพภูมิที่จิตนี้สามารถที่จะไปไปเกิดได้สามสิบเอ็ดภพภูมิด้วยกันมีอบายสี่มีภพของมนุษย์หนึ่งแล้วก็มีภพของเทวดาหกแล้วมีภพของพรหมรูปประภุม สิบหกหรือไงเนี่ยแล้วก็มีพบของอรูปประพูมอีกสี่ 4. บวกลบแล้วบวกกันแล้วรวมทั้งหมดมีสามสิเว็ดพบภูมิด้วยกันที่ดวงวิญญาณนี้จะไปเกิดได้ก็อยู่กับบุญกับบาปชนิดต่างๆที่ได้ทำเอาไว้เช่นถ้าทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความ โลกก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยที่เรียกว่าเปรตถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่ <c oughs> หวาดกลัวถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ในนรกแต่ถ้าทำบุญทำบุญทำทานมากกว่าทำบาปก็จะไปอยู่เป็นเทวดาหกชั้นด้วยกัน ขึ้นอยู่ว่าทำมากทำน้อยทำมากก็จะได้เทวดาชั้นสูงขึ้นไปตามลาดับพอพ้นจากเทวดาหกชั้นก็ไปสู่สรูปประพรมสิบหชั้นด้วยกันรูปประพรมสิบหชั้นนี้ก็เกิดจากการนั่งสมาธิเข้าฌานในฌานขั้นต่างๆฌ า, านขั้นต่างๆนี้จะทำให้ผู้ที่ได้เข้าฌานเหล่า น, นี้ไปเกิดเป็นพรหมในชั้นต่างๆกัน ถ้าได้รูปประชานสี่ก็จะไปอยู่ในรูปประพบเป็นรูปประพรมสิบหกชั้นด้วยกันถ้าได้อารูปประชานสี่ก็จะไปอยู่ในอรูปอรูปประพบเป็นอารูปประพรมอีกสี่ชั้นด้วยกันแล้วถ้าสามารถปฏิบัติขั้นสูงสุดได้คือขั้นปัญญาได้มีดวงตาเห็นธรรมมี ดวงตาเห็นอริยสัจสี่เห็นตายรักษ์สามารถกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่ครอบงำจิตใจที่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็จะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ถ้าทำใจให้สะอาดบริสุทธ ทำจัดกิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจใจก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาใจที่เป็นนิพพานนี้ก็จะไม่ไปเกิดในสามสิบเอ็ดภพภูมิต่ตอไปจะ อ, อยู่ในนิพพานไปเรื่อยๆไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดเพราะในสามสิบเ็ดภพภูมินี้ล้วนเป็นภพภูมิแบบชั่วคราวคือไปเกิดเป็นเทพก็ดีเป็นพรหมก็ดี พอบุญที่ส่งไปหมดลงก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่หรือถ้าไปเกิดในอบาย mm hmm. เวลาบาปที่ได้ทาที่ได้ส่งไปหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกันอันไม่ว่าจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามไม่ช้าก็เร็วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี้แต่เกิดมาจะมีคุณมีวาสนาแตกต่างกันไปคนที่มีบุญมากก็กลับมามีวาสนามากคนที่มีบุญน้อยก็จะมีวาสนาน้อยคนที่ทำบาปก็จะมีก็จะได้วาสนาอาภัพวาสนาในโลกนี้เราจะมีคนที่แตกต่างกันไปคนที่ น้ำรวยก็มีคนที่ยากจนก็มีคนที่สวยงามก็มีคนที่ไม่สวยงามก็มีคนที่พี่กลพิการก็มีคนที่ไม่พิกลพิการก็มีคนที่อายุสั้นก็มีคนที่อายุยาวก็มีมผลของเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทำบุญหรือทบาปในขณะที่มีชีวิตอยู่นี่นั่นเอง นี่แหละคือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของนรกเรื่องของสวรรค์นี่มันเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่เรื่องของร่างกายร่างกายเป็นเพียงผู้ที่เป็นผู้ที่เป็นภพหนึ่งที่จิตใจมามาเกิดมาใช้ร่างกายเป็นภพที่มาสร้างบุญสร้างบาป พทั้งหลายนี้เป็นพบอื่นๆนอกจากพบของมนุษย์นี้จะเป็นพบที่ไปรับผลบุญผลบาปกันมีพบของมนุษย์นี้พบเดียวที่เป็นพบที่จะมาสร้างบุญหรือสร้างบาป<ม>ที่จะมายุติการเวียนว่ายตายเกิด<ม>ก็ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์<ม>ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วทําบุญอยู่เรื่อยๆทําบุญอยู่มากมากกว่าทำบาปเวลาตายไปก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆ ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญตายไปก็จะไปอยู่ในอบาสีที่ด้วยกันแล้วก็ถ้ามาเจอพระพุทธเจ้าเจอพระพระพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธศาสนาเจอพระหลานตสาวกของพระพุทธเจ้าก็จะได้เรียนรู้วิธีที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดในสามสิบเ็ดภพภูมินี้ได้ ต้องมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นมาตัดสรู้ก่อนเมื่อมีพระพุทธเจ้าตัดสรู้วิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้ว mm hmm. ก็จะเกิดมีพระอาหารหันต์ตสาวกตามมาพอาหลังจากที่พระพเจ้าได้ตัดสรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็จะประกาศพระธรรมคําสอนให้กับผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสามสบภพภูมินี้ ถ้าผู้ที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาหลังจากที่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ดีหรือเป็นพระอาหารหันตสาวกแล้วก็ดีก็จะนําทําหน้าที่เอาวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ปรารถนาะที่จะไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุตามลำดับต่อไปถ้าอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องรอให้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาในยุคที่มีพระพุทธเจ้าก็ดี ในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าแต่ยังมีพระธรรมคําคสอนอยู่ก็ดีหรือยังมีพระอาหารหันตสาวูกอยู่ก็ดียุคเหล่านี้ก็จะเป็นยุคที่จะสามารถที่จะเรียนรู้วิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาไม่มีพระพุทธเจ้าก็ดีไม่มีพระอาหารหันตสาวูกก็ดีไม่มีพระธรรมคําคสอนก็ดี ก็จะไม่สามารถที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะไม่รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี่มีจริงไม่รู้ว่าตายแล้วไปเกิดใหม่มีจริงก็อาจจะไปคิดว่าตายแล้วศูนย์ถ้าคิดว่าตายแล้วศูนย์ก็เลยอาจจะทําให้ไม่กลัวบาปกันคนที่ไม่กลัวบาปเพราะคิดว่าตายแล้วไม่ต้องไปรับผลบาปนั่นเองเพราะคิดว่าผู้ที่ทําบาปก็คือร่างกาย แล้วก็ผู้ที่จะรับผลบาปก็คือร่างกายแต่เมื่อร่างกายตายไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปรับผลบาปได้ถ้ามองตามแบบทางโลกก็เป็นอย่างนั้นถ้าเราทำผิดกฎหมายมพอเราตายไปแล้วเขาก็ไม่จะมาจับร่างกายเราไปขังติดคุกติดตารางนะครับ<ม>แต่ถ้าร่างกายยังมีอยู่ร่างกายยังเคลื่อนไหวได้เขาก็จะมาจับร่างกายไปลงโทษ ในทางในทางโลกจะเป็นอย่างนี้คนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่รู้เรื่องเรื่องจิตใจก็จะคิดว่าตายแล้วศูนย์คือถ้าจะใช้กรรมใช้ผลของกรรมใช้ผลของบาปก็กชใ้ใช้ในขณะที่ยังมีร่างกายมีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นพอร่างกายตายไปแล้วกฎหมายเขาก็ไม่ตามไปจับแล้วเราไม่ไปจับซากศพมาติดคุกติดตารางแล้ว ถ้าคนคิดว่าร่างกายเป็นผู้กระทำบาปแล้วก็เป็นผู้รับผลของบาปก็จะไม่กลัวไม่กลัวนรกไม่กลัวบายไม่กลัวการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่สนใจที่จะศึกษาพราะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะได้มาเกิดในยุคที่มีคําสั่งคําสอนนั้นประเสริฐของพระพุทธเจ้าเช่นในยุคของเหล่านี้ มีคนส่วนมากมีคนส่วนใหญ่นี้ก็ไม่สนใจที่จะศึกษาเพราะทำคำสอนที่จะได้เอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปกำจัดภพภูมิการเวียนว่ายตายเกิดให้มันหมดสิ้นไปจากใจก็จะมุ่งมั่นแต่การที่จะไปหาโลกกระทงคืลราบยศสลรเสริญสุขกันแล้วก็จะไม่มีความกลัวบาปกัน เพราะว่าถ้าต้องการลาบยศเสริสนั่มากถ้าต้องทำบาปก็ยินดีทำบาปกันเพราะคิดว่าบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วไม่มีใครเป็นเป็นผู้ไปรับผลบาปถ้าจะรับผลบาปก็ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท้นี้เท่านั้นเองก็จะเป็นคนที่เป็นจะเป็นยุคที่ไม่มีศีลธรรมกันคนจะไม่นักษาศีลกัน กพรรักษาศีลมันยากมันทําให้การหาราบยศสะะเสริญสุขนี้เป็นการทําได้ยาก<ม>จะหาเงินแบบไม่ช่อกงมันยากกว่าการหาเงินแบบช่อกง<ม>จะหา ย, ยุดหาตำแหน่งแบบไม่โกหกหลอกลวงนี้มันมันยากกว่าการที่จะหา ย, ยุดหาตำแหน่งด้วยวิธีการหลอกลวงโกหกหลอกลวงนั<ม> คนจึงเดี๋ยวคนสมัยนี้จึงเป็นคนที่ไม่มีศีลและธรรมกันไม่กลัวบาปกันเพราะไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เลยคิดว่าตายแล้วสูญเมื่อตายแล้วสูญไปทาไปทำความดีทำไมตายแล้วก็ไม่มีผลดีตามมาเวลาตายไปทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองที่หามาได้ทั้งหมดก็กลายเป็นของคนอื่นไปเท่านั้นเองก็เลยไม่มีอะไรที่จะมาจูงใจให้ทำบุญ ให้ละ บ, บาปให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทเพราะว่าไม่ได้มีความรู้จักพระพุทธศาสนานั่นเองแต่ถ้าได้มาเกิดในครอบครัวของชาวพุทธเนี่ยมีพ่อแม่ที่เป็นพุทธก็ดีหรือมีเพื่อนฝูงที่เป็นพุทธก็ดีอาจจะชวนให้เราเข้าวัดกันเข้าไป ฟ, ฟังเทศน์ฟังธรรมหรือไปอ่านหนังสือธรรมะ ก, กันถ้าได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้ว ก็จะได้เรียนรู้ว่าชีวิตของเรานี้ไม่ได้สิ้นสุดลงที่ความตายความตายเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของชีวิตของเราตัวที่เป็นสาระที่แท้จริงก็คือใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจนี่แหละเป็นผู้ทำบุญทาบาปใจนี่แหละเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปในนรกในอบายหรือในสวรรค์ชั้นต่ตาง ใจนี่แหละที่จะเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดและใจนี่แหละที่จะเป็นผู้ที่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้การที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้จำเป็นที่ต้องมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสอนวิธีการต่างๆถ้าไม่อยากจะไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายก็ให้ละการกระทำบาปต่างๆให้รักษาศีล อ, อย่างน้อยก็ สีนห้าเป็นอย่างต่ำไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพูดผิดในการไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายามเมาเป็นต้นถ้าทำอย่างนี้ได้เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไม่ไปเกิดในอบายแล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์ก็ให้ทำบุญทำทานมีข้าวของเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้ก็เอามาแบ่งปันกันมาช่วยเหลือกันช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนต่างๆแล้วก็จะทาให้ใจได้บุญขึ้นมา ได้ความสุขใจที่จะกลายเป็นสวรรค์เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วแล้วถ้าอยากจะไปยุติการเวียนว่ายตายเกิดเลือไปสวรรค์ที่สูงกว่า น, นี้ก็ต้องไปบวชกันไปอยู่แบบนักบวชไปถือศีลแปดขึ้นไปรักษาศีลแปดแล้วก็หัดนั่งสมาธิทาใจให้สงบพอได้สมาธิใจสงบไต้อุเบกขาแล้วก็มาเจริญปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่ ในสภาวะธรรมทั้งปวงถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะตัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้ก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่อยากได้นั้นล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทางนั้นไม่ว่าจะเป็นราบยศสารเสรญสุขไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามล้วนเป็นของชั่วกราวเป็นของที่จะหมดสิ้นไปได้ เวลาของที่ให้ความสุขเราจากเราไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้าเราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากจะได้มาเกิดในการมาพบลูปะพบเือาลูปะพบเพราะพบเหล่านี้เป็นพบที่ชั่วคราวไม่ได้ให้ความสุขแบบยั่งยืนถาวรมีพระ น, นิพพานเท่านั้นที่จะให้ความสุขยั่งยืนอย่างถาวรพระนิพนนพานก็เกิดจากการที่ใจหยุดความอยากต่างๆได้หมดสิ้นไป อันนี้แหละคือเรื่องราวต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องเป็นนามธรรมที่เราไม่สามารถศึกษา ม, มองเห็นได้ด้วยรูปธรรมคือร่างกายของเราผู้ที่อยากจะรู้สิ่งเหล่านี้ต้องปฏิบัติจิตภาวนาทันเองคือปฏิบัติเรื่องจิตทําจิตให้สงบถ้าจิตสงบแล้วจิตก็จะเริ่มเห็นตัวตัวจิตใจ เห็นตัวที่จทำทำบุญทำบาปเห็นตัวที่ไปเวียนว่ายตายเกิดว่าไม่ใช่ตัวไหนเรกาก็ตัวที่รู้ที่คิดนี่แล้วก็จะก็จะไม่สงสัยในเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดไม่สงสัยในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่สงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมอันนี้ก็คือวิธีกำจัดความนังเลสงสัยต่างๆที่เกี่ยวกับํา คำสอนของพระพุทธศาสนาก็คือให้ศึกษาโดยตรงจากพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสารก็ดีเพราะท่านเหล่านี้มีดวงตาเห็นธรรมกันทั้งนั้นท่านเห็นตัวจิตเห็นตัวดวงวิญญาณเห็นตัวที่จะไปเกิดใหม่เห็นตัวที่จะไปนรกไปสวรรค์แล้วท่านก็จะยืนยันว่าเป็นของจริงไม่ต้องสงสยัยแต่แต่พวกเราจะเห็นได้ด้วยด้วย ด้วยด้วยตาของเราเองก็คือเราต้องปฏิบัติธรรมเราต้องฝึกจิตภาวนาจะจะเจริญสมถะภาวนานั่งสมาธิทําใจให้สงบใจสงบแล้วเราก็จะเริ่มเห็นตัวจิตใจตัวที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแล้วความสงสัยต่างๆในธรรมก็จะหายไปหมดอย่างถาวรอนันนี้ก็คือเรื่องของ การกำจัดความลังเลสงสัยในธรรมต่างๆด้วยการศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วถ้าอยากจะให้มีความมั่นใจร้อยเอร์เซน์ว่าเป็นความจริงก็ต้องนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติ<ม>ปฏิบัติการทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนา<ม>ถ้าเราสามารถปฏิบัติสามข้อนี้ได้<ม><ม>ความลังเลสงสัยในธรรมต่างๆก็จะหมดสิ้นไป การเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะหมดสิ้นไปเพราะเราก็จะไปอยู่ที่นิพพานที่เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆอีกต่อไปนี่ก็คือเรื่องราวของธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาที่ได้กําหนดไว้คือจะแสดงธรรมประมาณ30สนาทีแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณ30สบนาทีก็จะเป็นการปฏิบัติธรรม ือการนั่งสมาธิการเจริญจิตตาภาวนาเพื่อมาทำความรู้จักใจของเราว่าใจของเรานี้เป็นอย่างไรว่าใจของเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายใจของเราเป็นผู้รู้ผู้คิดที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายถ้าเราฝึกสมาธิไปเรื่อยๆจนกว่าจิตใจจะรวมเป็นเป็นหนึ่งแยกออกจากร่างกายเราก็จะเริ่มเห็นใจเริ่มเข้าใจว่าใจของเราเป็นอย่างไร เราจะได้รู้ว่าใจของเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายตายไปใจของเรานี้ก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเราอยู่ต่อไปจะอยู่ในนิพพานหรือจะอยู่ในใตายภพก็อยู่ที่ว่าเราชำนาญจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้หรือไม่ดังนั้นต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันทำใจให้นิ่งให้สงบการจะทำใจให้นิ่งให้สงบเราต้องมีสติคอยกำกับใจให้อยู่กับอารมณ์ ที่จะ ก, กล่อมใจให้นิ่งให้สงบอารมณ์ที่กล่อมใจนี้เราเรียกว่ากรรมฐาน mm hmm. เราต้องมีสติผูกใจให้อยู่กับกร ร, กรรมฐานกรรมฐานก็มีหลายชนิดด้วยกัน mm hmm. เช่นผูกใจให้อยู่กับคบําบาลีคำพุทธโธอันนี้เราเรียกว่าพุทธานุสติ mm hmm. ให้มีสติแล้วก็กอยู่กับพระพุทธเจ้าก็ mm hmm. คือเชื่อของชื่อของพระพุทธเจ้าก็คือพุทธโธเวลาเวลานั่งสมาธิเราอย่านั่งเฉย ถ้นานั่งเฉยๆใจจะคิดไปเรื่อยๆถ้าปล่อยให้ใจคิดไปเรื่อยๆใจก็ไม่นิ่งไม่สงบไม่เข้าสมาธิไม่เข้าสมาธิก็จะไม่เห็นใจไม่เห็นใจว่าใจกับร่างกายเป็นคนละส่วนกันแต่ถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบพอนิ่งสงบใจก็จะแยกออกจากร่างกายก็ๆๆจะทําให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันเป็นคนละคนกันะ ถ้าเราไม่ใช้พุโทโธเราก็สามารถใช้กรรมฐานในอย่างหนึ่งได้คืออาณาปานาสติให้มีสติแล้วเรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกอาณาปานะแปลว่าลมเข้าลมออกให้เฝ้าดูลมเฉยเฉยไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมอยู่ที่ปลายจมูกเวลาลมเข้ามาก็จะสัมผัสที่ปลายจมูกเวลาลมออกไปก็จะสัมผัสที่ปลายจมูกให้เฝ้าตรงจุดสัมผัสนั้นเฉยดูเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรให้รู้เฉยเฉย ไม่ต้องไปบังคับลมให้หาย ใ, ใจลึกหาย ใ, ใจยาวหรือหาย ใ, ใจสั้นปล่อยให้ลมเป็นไปตามเรื่องของลมลมจะสั้นก็รู้ว่าสัา้นจะยาวก็รู้ว่ายาวจะหยาบก็รู้ว่าหยาบจะละเอียดก็รู้ว่าละเอียดไม่ต้องทำอะไรให้รู้เฉยๆให้อย่าไปเคลื่อนตามลมด้วยไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาเพราะการตามลมเข้าลมออกจะทำให้ใจไม่นิ mm ่งไม่เป็นสมาธิต้องอยู่ที่จุดเดียว และเวลานั่งนี้ถ้ามีอะไรมาปรากฏให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจมีเสียงก็ดีมีภาพก็ดีมีความรู้สึกทางร่างกายก็ดีว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้คันตรงนั้นคันตรงนี้ก็อย่าไปสนใจให้อยู่กับลมไปแล้วอยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวอาการต่างๆเหล่านั้นก็จะหายไปแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไปให้ความสาคัญไปตามรู้เรื่องต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้ ไม่ได้อยู่กับพุโทโธไม่ได้อยู่กับลมหายใจใจก็จะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้นเป้าหมายของการนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้นิ่งให้สงบเวลาใจนิ่งใจสงบแล้วมันจะแยกออกจากร่างกายมันจะรู้สึกว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละคนแล้วมันก็จะเริ่มหายสงสัยในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ต่างๆดังนั้นต่อไปนี้ขอให้เรามานั่งสมาธิกัน ถ้าดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ก็สวดมนต์ไปในใจก่อนก็ได้สวดบทสั้นบทยาวที่เราจําได้สวดไปเรื่อยๆรืจนเรารู้สึกว่าเราใจใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วใจสามารถอยู่กับลมแล้วอยู่กับพุโทโธได้เราก็เปลี่ยนมาอยู่ที่ลมหรืออยู่ที่พุโทโธต่อไปจนกว่าจะหมดเวลาของการนั่งสมาธิ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 แล้วถ้ายัางนั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายัางมีน้อยเหมัอนเจริญสติในระหว่างวันไปเรื่อยๆหมัอนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนี่เราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาด้วยการนำเล็งถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปภายในใจอยู่เรื่อยๆหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจคิดอย่าปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาแล้วคราวหน้าเวลานั่ง ก็จะสงบได้ง่ายสงบได้นานแล้วนะต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะทาวารวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตุทินังเปตังหังอุปการปติิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยเววัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตาลโยสุขิทีคายุโกภาวะอภิวะธนสีลิสานิจจังวุฒาปจายโน จัตารอธรรมวาทันเตียอายุวันสุขังภาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงที่เราจะตอบคำถามกันหลังจากเลิกแล้วถ้าใครมาถามจะไม่ได้คำตอบต้องขออภัยด้วย เพราะไม่สะดวกถ้าอยากจะถามถามตอนนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุกติจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ296ท่าน YouTube พระสุชาติ Live 288 YouTube ดร V 24วิทยุออนไลน์1 1 คลับเฮาส์หนึ่งนากุติหนึ่งร้รวมทั้งหมด739อสท่านค่ะคำถามจะพูดรับฟ <dictionary functions> ังนากุต okay, so ิค่ะเรารู้ว่าจิตไม่ใช่เราและมีความคิดไม่ดีแวบมาควรทำอย่างไรต่อคะก็หยุดมันท่านนองอย่าไปคิดต่อใช้พุทโธพุทโธหยุดมันพอคิดอะไรไม่ดีก็พุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้ คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะน้อมกราบหลวงตาด้วยความคำรบขออุบายในขอขออุบายปัญญาในการแก้ความเบื่อที่เกิดระหว่างการเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเป็นเวลานานหน่อยค่ะก็คิดว่าเป็นเหมือนกับการไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล เ, เบื่อไม่เบื่อก็ต้องรักษาจนกว่ามันจะหายการไปปฏิบัติธรรมก็ไปรักษาใจ ให้ใจเรหายจากความทุกข์ต่างๆดังนั้นเราต้องพยายามอดทนอยู่การรักษาไปแล้วเดี๋ยวใจของเราก็จะได้หายจากความทุกข์ต่างๆได้คําถามที่สองจากท่านเดิมค่ะปกติใช้คําบริกรรมนึกถึงความตายบางทีก็คิดสอนใจให้เห็นคุณค่าเป้าหมายในการภาวนาค่ะพอจะถูกทางไหมคะเคยรู้อารมณ์เบือ่อดูเฉยๆก็ไม่หายดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ ดูไม่ได้หรอดูมัไม่หายนะต้องใช้คํำบริกรรมคำบริกรรมไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายไปถ้าไม่ใช้คํำบริกรรมมันก็จะอยู่ต่อไปเราจะรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆคําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะสัญญาขันใช้สมองเป็นส่วนจํำข้ามูลใช่ไหมครับเพราะเวลาคนเป็นอัลไซเมอร์จะจําอะไรไม่ได้เลยไม่ใช่หรอกสัญญากับสมองคนละส่วนกัน สัญญาเป็นเป็นตัวที่จดจำสมองอาจจะเป็นตัวที่ส่งส่งรูปเสียงกลิ่นรสไปให้ใจจดจำอีกทีหนึ่งไอตัวที่สมองถ้ามันเสือ่อมมันก็ส่งไปให้ใจจดจำไม่ได้มันก็เลยลืมได้คำถามจากทาง y o ยูทูบอาจารย์สุชาติค่ะ เวลาเราเห็นปลวกขึ้นบ้านแล้วก็กัดทำลายบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่เราจะขับไล่หรือกำจัดมันได้ไหมพอเรานึกจะทำเราก็เกรงกลัวว่าจะเป็นเหตุให้มันตายเราควรทำอย่างไรดีครับก็ต้องปรึกษาผู้จำกัดกำจัดปลวกดูแล้วกันว่าจะทำอย่างไงดีคำถามสักทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะกล้ำถูกบันทึกไว้ที่ท่ารู้หรือสัญญาขันครับ ก็อยู่ในนั้นน่ะสัญญาก็อยู่ในท้ารู้คำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติค่ะขั้น5เปรียบเหมือนเสมือนฮาร์ดแวร์อวิชาเหมือนซอฟแวร์เราจึงต้องอัปเกรดซอฟแวร์เป็นวิชาด้วยไตยรลักษณ์ใช่ไหมครับถูกต้องต้องเปลี่ยนเปลียนรุ่นใหม่อัปเดตใหม่รุ่นเก่ามันมีแต่บักต้อ <laughs> ง, งลงรุ่นใหม่ลงวินโดว์ใหม่ คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะไปร่วมงานผ้าป่าสามคัคคีไปถึงพระท่านถวายผ้าป่าแล้วและกําลังเทศสอนจากถวายผ้าป่าอยากถามว่าผ้าที่เราถวายหลังจากท่านเทศจบโดยเราอยู่ในบริเวณงานตอนท่านเทศและอธิษฐานในใจว่าขอถวายผ้านี้รวมไปในพระป่าครั้งนี้ด้วยจะถือว่าผ้านี้อยู่ในกองผ้าป่าสามัคคีด้วยไหมคะมันจะอยู่ไม่อยู่ไม่สําคัญหรอ มันเป็นบุญมันเป็นทานเป็นการให้ของเรามันก็เป็นบุญจะให้วันนี้ให้พรุ่งนี้ให้มาเลย น, นี้มันก็เป็นบุญเหมือนกันบุญเกิดจากการให้ไม่ใช่บุญเกิดจากจากการไปร่วมกองนั้นด้วยกองนี้อันนั้นเป็นเพียงแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็ไปร่วมกันไปเท่านั้นเองแต่การทำบุญนี้เราไม่จำเป็นจะต้องมาทำร่วมกันก็ได้ทาของเราบทีเราอยู่โรงพยาบาลนี้เราก็ยังสามารถทาได้ ฝากเงินให้เขาไปซื้อผ้าแล้วก็ไปถวายเราก็ได้บุญเหมือนกันค่ะ ท, ท่านเดิมเขาสงท่านเขาสงสัยว่าผ้าที่อยู่ในกองผ้าผ้าที่ถวายเนี้ยจะอยู่ในกองผ้าป่าสามาคัคคีหรือจะถือเป็นบริวารผ้าป่าที่นำมาถวายหลังเทศเสร็จแล้วคะจะถื อ, อยังไงก็ได้มันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกับบุญที่เราได้จากการเบิกจากผ้าผืนนี้ไปค่ะ จะเรียกก็เป็นกระถินก็ได้เรียกว่าเป็นผ้าป่าก็ได้มันก็ผ้าเหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่ไอ้ที่เขามีชื่อต่างๆเพราะมันมีความเป็นมาของผ้าต่างๆมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแต่คนที่ให้นี่มันเป็นคนที่เสียสละผ้าคนนั้นอ่ะบุญเกดที่คนนั้นจะไปเรียกว่าเป็นผ้าป่าก็ได้ผ้ากระถินก็ได้ผ้าสังกะทานก็ได้มันก็เหมือนกัน คำถามที่สองค่ะระหว่างไปร่วมงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกับร่วมงานกรถินงานไหนได้บุญมากกว่ากันคะก็อยู่ที่เราบริจาคไหนมากกว่ากันมันอยู่ที่การบริจาคไม่ได้อยู่ที่งานถ้าเราบริจาคมากเราก็ได้มากบริจาคน้อยเราก็ได้น้อยถ้าไม่บริจาคเลยไปนั่งดูเฉยๆก็ไม่ได้เลยเลยคำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ ในสมาธิเห็นความอยากพอจะระ ง, งับได้ดีพอควรนอกสมาธิเมื่อเห็นความอยากระ ง, งับได้ยากกว่าใช้สติระ ง, งับหรือควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะก็ใช้สติบริกรรมพุโทโธก็ได้หรือใช้ปัญญาให้เห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นทุกข์ก็ได้ถ้าเห็นสิ่งที่เราอยากเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากได้คําถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะ หากมีความรู้สึกกังวลระวาดกลัวความตายความเจ็บปวดของคนในครอบครัวและตัวเองมากแม้รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติจนใจไม่สามารถสงบได้พุทโธก็เอาไม่อยู่กราบขอเมตตาพระอาจารย์แนะนำว่าต้องทำอย่างไรให้ก้าผ่านความกลัวนี้ไปได้คะก็อย่างเพิงไม่คิดถึงมันอย่างตอนนี้เราอย่างไม่ตายอยู่กับความเป็นไปก่อนความตายยังมาไม่ถึงไม่ต้องไปกังวลกับมัน อยู่กับความเป็นแล้วก็พยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้มากๆขึ้นแต่ไปจิตเรามีพลังเราก็จะวางเฉยได้คำถามจากทางเฟ e บุ๊ k ค่ะจริตหกเกิดจากการสั่งสมข้ามชาหรือเปล่าคะทำไมแต่ละคนมีจริตไม่เหมือนกันมีความรู้สึกต่อเรื่องเดียวกันต่างกันคะก็อยู่ที่การสะสมเราชาอะไรมันก็จะติดมากับเราเราเกลียดอะไรมันก็จะติดมากับเรา คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะสมองมีส่วนที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กับเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมครับและเมื่อกายแตกทำลายขันห้าจะดับด้วยหรือไม่ครับขันห้าดับเพียงแต่รู ป, ปขันแต่นามขันไม่ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันอยู่ในใจใจไม่มีวันดับนามขันก็เลยไม่ดับดับแต่ร่างกายร่างกายก็กลับคืนสู่สภาพเดิมคือกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป และสมองมีส่วนที่ทําหน้าที่สัมพันธ์กับนามาขันไหมใช่ไหมคะก็เป็นผู้ที่ประสานการเคลื่อนไหวของร่างกาย<ม>สั่งให้ร่างกายยกแขนขึ้น<ม>อะไรนี้ใจสั่งก่อนสั่งว่าอยากจะลุกขึ้นยืนแล้วคําสั่งนี้ก็ไปที่สมองสมองก็ไปสั่งที่ร่างกายอีกทอดหนึ่งถ้าเกิดมีมีอุปสรรคไม่สามารถ สื่อสารระหว่างสมองกับร่างกายได้ก็ลุกไม่ได้เช่นคนเป็นน้ามผึ้งกรรมภาพใจสั่งให้ทํานู่นทนํานี่แต่สมองไม่สามารถสั่งปอต่อไปที่ร่างกายให้เคลื่อนไหวได้คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะจิตกับวิญญาณเป็นตัวเดียวกันไหมครับแล้วตัวไหนมาให้แล้วตัวไหน พปเกิดคดียวกันเนี่ยเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองเวลามีร่างกายเขาเรียกว่าจิตเวลาไม่มีร่างกายเขาเรียกว่าดวงวิญญาณตัวเดียวกันคําถามจากทาง facebook ค่ะปฏิจจสมุ ป, ปบาทวงจรของการเกิดทุกข์อวิชายกตัวอย่างเช่นมีผัสสะจึงมีเวทนาแล้วจึงมีตัณหาแล้วจึงมีอุปท า, านหรือเกิดพร้อมกันได้ครับ มันก็้อเรียตามลำดับนั่นแหละมันต้องเป็นไปตามตามลำดับคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะเวลาเรากโกรธหรือมีอารมณ์ไม่พอใจใช้วิธีบริกรรมพุทธโทแล้วสภาวะโกรธหรืออารมณ์ไม่พอใจหายไปปฏิบัติแบบนี้คือถูกต้องแล้วใช่ไหมคะก็ขั้นแรกก็ใช้สติระงับความโกรธไว้ก่อนแต่พอสติหายไปหรือ ว, ว่าไม่มีสติแล้วไปนึกถึงเรื่องที่ทาให้โกรธก็ ความโกรธก็กลับขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะให้ความโกรธหายไปอย่างถาวรนต้องไปแก้เหตุของความโกรธเหตุของความโกรธก็คือความอยากอยากให้เขาดีกับเราพอเ้าไม่ดีกับเราเราก็โกรธเขาแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาดีกับเราเขาจะไม่ดีกับเราเราก็ไม่โกรธเขาให้เรามาแก้ที่เหตุคือความอยากของเราอยากไปอยากได้อะไรจากใครแล้วเราจะไม่เสียใจเวลาไม่ได้อะไรจากเขา คำถามจากทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติค่ะพระที่รับบาตรตอนเช้ามืดก่อนตีหครึง่งเมื่อใส่อาหารลงในบาตรพบว่าท่านมีซองเงินวางไว้ก้นบาตรเหมือนจะชี้นำบางอย่างถ้าต้องผ่านและพบเจอพระกลุ่มนี้อีกควรวางตัวและวางใจอย่างไรขอบพระคุณค่ะแล้วแต่คุณมถามเราได้ยังไงเดี๋ยวจะหาว่าเราประยุโยงส่งเสริม ก, กิจกเรื่องของคุณที่คุณจะต้องพิจารณาว่าคุณมีศรัทธาในพระรูปนั้นหรือไม่ ถ้ามีก็ใส่ไปถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่คำถามจากทางเฟซบุนะคะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะคะโยมบอยเขาชื่อบอยนะคะเริ่มฝึกสติกำหนดรู้ที่ปลายจมูกนะและพร้อมมีคำบริกา ร, รพุทโธพอดีมีอาการป่วยถ่ายท้องหนักมาก กำลังคงไม่พอกำหนดพอะร่างกายหมดแรงเจ็บทั้งตามตัวและมีไขร้รุมๆหนาวเย็นก็อาศัยสิ่งที่อาการเจ็บป่วยปรากฏตามร่างกายถามว่าใครเจ็บบอยเจ็บก็ไม่มีบอยแล้วใครเจ็บร่างกายไม่ใช่ของเราเป็นดินน้ำลมไฟเกิดดับถามมองดูตรงที่เจ็บแล้วใครเจ็บขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ว่าพอดียมอดทนต่ออาการได้บ้างกาลังภาวนาพุโทโธยังอ่อนกาลัง อาศัยการถามอาการว่าเป็นบอยเป็นบอยตรงไหนให้หลักธรรมขอพระอาจารย์ให้หลักธรรมรนหนทางปฏิบัติต่อในช่วงที่กำลังสติกำลังสมาธิยังน้อยมีภาวะการเจ็บเข้ามาที่ร่างกายก่อนที่จะสามารถวางอุเบกขาได้ทันนะครับก็มองว่าความเจ็บมันมี2 ส, ส่วนความเจ็บของร่างกายกับความเจ็บของใจความเจ็บของร่างกายนี้มันไม่รุนแรงเท่ากับความเจ็บของใจ ที่เราทรมานนี่ไม่ได้ทรมานเพราะความเจ็บของร่างกายแต่ทรมานเพราะความเจ็บของใจแล้วก็ความเจ็บของใจนี้เราดับมันได้เพราะเหตุของความเจ็บของใจก็คือความอยากอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไป <Okay. S 1> พอเรามองว่าเราไม่สามารถสั่งให้ความเจ็บของร่างกายหายไปได้เราก็เปลี่ยนใจฮะอยู่กับมันไปก็แล้วกันเมื่อมันต้องอยู่มันไม่ไปเราก็ต้องอยู่กับมันอย่าไปรังเกียจมัน ทำรังเกียจมันทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราไม่รังเกียจมันเราก็จะไม่ทุกข์เราต้องเปลี่ยนใจเอาอยู่ก็อยู่ยินดีต้อนรับบอกเขาอยู่ไปนานๆนอยู่ให้มากกว่านี้ก็ได้บอกให้แรงกว่านี้ก็ได้เพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้มารับรู้ความเจ็บของร่างกายแต่เพราะความหลงมันคิดว่าเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราเลยไม่อยากให้มันเจ็บที่ร่างกายแต่ความเจ็บของร่างกายเราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปใจเรายอมรับความเจ็บนี้ได้ใจเราก็จะไม่ทรมานหดหรือยังยังไม่มีคำถามใหม่ค่ะชาวต่างชา you want ask this is t i m e for you now <Yes. S 1> ชาวเวียดนามมาอยู่มงมาปฏิบัติธรรมที่เมืองไทย Uh, good afternoon, uh, Ajahn. Um, this is the the question for myself, but I think uh, most of my friend s would like to ask you too. Um, how can we know? Thus, how can I know thus I improve my practice uh, a periods of time or or every day on my practice? Thank you, Ajahn. You can control your emotion better. You can. You can reduce your greed, your hate, your anger. You can reduce your desire or your cravings, and you can reduce your suffering. You're happier than before. Anything else? Thank you, t a c h e r y s Dear Chan, uh, when I meditate, I feel. Very sleepy. Uh, so please give me some advice. Well, if you meditate after you eat, you feel sleepy. But if you eat, if you meditate before you eat, you won't feel sleepy. When you're hungry, you won't feel sleepy. y e s Thank you. So in, in order for you to be hungry, you have to eat less. y e s Like eat one meal a day, for instance. Yes. Thank Then you. you won't be sleepy. Yes. So uh, forest monk eat one one meal a day. A Chan monk eat one meal a day. Long time a b o t eat one meal a day. So they don't get sleepy. I eat one meal a day also. Uh, yes, uh, I wish I wish to continue the question he got. When he too full, uh, very hard to the uh, meditation he falls to sleep. But when you hungry, the mind make you very hard to. Uh, meditation to, uh, So you have to work harder. You have to be more mindful. You have to recite Buddha, Buddha more. This will force you to be more mindful. And when you have more mindfulness, then you can meditate successfully. Yeah, that means in the beginning, if we have, we need to practice to uh, try to escape that kind of period of uh, difficulty. Yes, you need yeah. mindfulness. You have to learn to recite b u t o o a b u t o a lot, as much as possible, before you meditate. You should do it from the time you get up. When you get up, you start mindfulness first of all. b u t d a b u t d a s you go about doing your things, you keep doing reciting b u t d h a b u t d h b u t d Then you, the mind will not will not be lazy. The mind will not be sleepy, and will not be hungry either. If you have mindfulness to control your mind with. Yes, uh, Ajahn. Uh, can I ask you, like um, the mind, the mind always uh, to ask. Uh, like I just try to uh, take less meal a day by day, but the mind always uh, try to uh, win me to get more meal. Because you don't have mindfulness, you don't have puto. So as soon as you know that you want to. I might want you to do something. You have to stop it by bhuto bhuto bhuto. It's simple, but you don't use it. That's all. You keep It's... thinking, arguing with yourself. This is useless because you you lose. You won't be able to argue against your defilement. You have to use bhuto bhuto bhuto. Wipe wipe the defilement away. Thank you, Ajahn. s a t h u s a t h u Uh, he would like to ask a Chan a question: uh, Why? Uh, how? How do we know? Um, Or oh, how do the know be knowing of knowing? Like you get? Oh yeah, the mind has to be calm first. The mind has to stop thinking. Then when you stop thinking, you see the knowing. Uh, uh, this uh, lady would like to ask a Chan um, when uh, her um, meditation at night before go to sleep, and when she go to sleep, she feel like um, she knowing everything uh, very clearly. t h uh, t s can you tell her what t h a s mean? It means you have more mindfulness. Anything, anybody? ย์รึกของมัน thank you thank you อาจารย์สาธุไม่มีคำถามนะยังไม่มีคำถามค่ะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ